เรื่องเล่าผีหลอนตอนกระสือยายเกอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณยายของเราท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนตอนที่คุณยายยังทำบ่อกุ้งอยู่คุณยายมีเพื่อนเพื่อนที่ช่วยกันทำบ่อกุ้งด้วยกันแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่ายายเกอยายเกอมีลูกสาวหนึ่งคน แต่สามีของยายเกอได้เลิกกับยายเกอไปเมื่อตอนที่ลูกสาวของยายเกอยังเด็กๆยายเกอแกเป็นคนที่หน้าตาดีอยู่เป็นคนมีเงินก็ส่งลูกให้ไปเรียนในกรุงเทพแล้วลูกก็นานๆทีกว่าจะกลับมาหายายเกอยายเกอก็เลยต้องอยู่คนเดียวแล้วบ้านของยายเกอก็ห่างจากบ้านของคุณยายเราก็เยอะอยู่ คือต้องพายเรือไปหากันบ้านของยายเกอจะอยู่ลึกเข้าไปในป่าจากตอนสาวๆก็ไม่ค่อยมีใครเข้าไปยุ่งกับยายเกอเพราะว่าแกเป็นคนปากร้ายแต่ไม่ได้นินทาใครปากร้ายในที่นี้หมายความว่าถ้าใครมายุ่งหรือมาทำอะไรแกแกจะด่าแล้วก็ไล่ตะเพิดไปเลยเวลาผ่านไป ยายเกอก็แก่ลงช่วงนั้นแถวบ้านคุณยายเรามันมีข่าวลือเกี่ยวกับผีต่างๆไม่ว่าจะเป็นผีพายน้ําผีกระสือผีเปรตสารพัดผีชาวบ้านแถวนั้นก็ลือกันว่ายายเกอนี่แหละที่เป็นผีกระสือคนส่วนมากก็จะเชื่อว่ายายเกอเป็นกระสือ แต่ก็ยังมีคนส่วนน้อยที่ไม่เชื่อเพราะว่ามันไม่ได้เห็นกับตาและหนึ่งในครอบครัวที่ไม่เชื่อก็คือครอบครัวของคุณยายเรานี่แหละคะ่ะมีอยู่คืนหนึ่งคุณยายเราปวดท้องเข้าห้องน้าในกลางดึกคุณยายบอกว่าตอนลงมาจากบ้านก็ได้เห็นไฟสีแดงวาบลอยออกมาจากทางบ้านยายเกอลอยไม่สูงมาก ตอนนั้นคุณยายเรายืนเพื่อจะรอดูว่ามันเป็นไฟอะไรคุณยายเรายืนดูจนแน่ใจว่ามันไม่ใช่ไฟของพวกมหาปลาแน่นอนแต่มันน่าจะเป็นไฟของผีกระสือมากกว่าพอเช้ามาคุณยายเราก็พายเรือไปบ้านยายเกอกับคุณแม่ของเราพายเรือกันไปสองคน พอเข้าไปถึงบ like ้านยายเกอก็เดินเข้าไปหาแล้วคุณยายเราก็พูดกับยายเกอว่าเกอเป็นไงบ้างแกไม่ค่อยสบายหรือบ้านถึงได้รคสกปรกอย่างนี้คุณยายเราบอกว่าตอนเข้าไปบ้านยายเกอบ้านยายเกอมีแต่ขยะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเหมือนอุจจระยายเกอก็ตอบคุณยายเรามาว่าข้าสบายดี เองออกไปเถอะข้าจะนอนคุณยายกับคุณแม่เราก็เลยออกมาจากบ้านยายเกอคุณยายกับคุณแม่เราก็พูดกันว่ายายเกอไม่มีทีท่าว่าจะเป็นกระสือเพราะยายเกอแกไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงดูเหมือนจะนอนทั้งวันด้วยตกคืนนั้นเป็นทีของคุณแม่เราบ้างคุณแม่ลุกขึ้นมาปัสสาวะ แล้วก็ได้เห็นเหมือนกับคุณยายก็คือเห็นไฟแดงๆลอยมาจากบ้านของยายเกอคุณแม่ของเราไม่รอให้เห็นชัดๆแค่เพียงเห็นแค่นั้นคุณแม่ก็วิ่งขึ้นบ้านพอเช้ามาชาวบ้านก็พูดกันว่าเมื่อคืนมีคนเห็นผีกระสือเข้าไปในกอไผ่แล้วยังไม่ออกมาจากกอไผ่เลย คุณยายกับคุณแม่ของเราก็เลยรีบพายเรือไปดูที่บ้านของยายเกอแต่พอไปถึงก็มีทั้งผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้านหลายคนมาที่บ้านของยายเกอสักพักก็มีชาวบ้านอุ้มร่างของยายเกอที่ไม่มีหัวออกมาข้างนอกบ้านแล้วชาวบ้านก็ช่วยกันยกดูใต้ที่นอนของยายเกอปรากฏว่า ใต้ที่นอนของยายเกอมีแต่อุจจระที่ห่อกระดาษแล้วก็อุจจระที่ใส่ไว้ในถุงพลาสติกชาวบ้านก็พูดกันว่ายายเกอนี่แหละเป็นกระสือและพวกอุจจระทั้งหมดนี้ยายเกอเก็บไว้กินเพราะกระสือมันชอบกินของสกปรกโสโครกพอจับได้ว่ายายเกอเป็นกระสือชาวบ้าน ก็ลงมติกันว่าจะเผาบ้านของยายเกอเพื่อจะได้ไม่มีกระสือยายเกออีกแต่หลวงพ่อที่วัดประจาหมู่บ้านมาบอกว่าให้หยุดอย่าไปเผาบ้านอย่าทำอะไรทั้งนั้นเพราะแค่นี้ยายเกอแกก็ลาบากทุกทรมานมากแล้วชาวบ้านก็เลยหยุดการกระทาทุกอย่างแล้วปล่อยไว้อย่างนั้น แต่ก็มีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งไปเฝ้าสังเกตการอยู่ตรงกอไผ่ที่บอกว่ากระสือเข้าไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่ได้ออกมาก็เฝ้ากันนานมากแต่ก็ไม่มีผีกระสือออกมาเลยชาวบ้านต้องฟันต้นไผ่เพื่อจะดูว่ามีผีกระสืออยู่ไหมพอฟันจนเตียนก็พบแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ในกอไผ่ แล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครเจอหัวยายเกออีกเลยและลูกสาวของแกก็ไม่กลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราฟังมาจากคุณยายอีกทีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่อยากจะนำมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับ